ทําไปคงจะพอสมควรแหละก็คงจะเป็นปีอ่ะนะปรากฏว่าบรรลุธรรมได้ค้นพบสัจธรรมคําถามคือว่าอ้าวแล้วค้นพบสัจธรรมจากการทํางานได้ยังไงก็เพราะว่าชายคนที่สามนั่นเขาก็ตั้งใจทําสามด้วยความขยนันทําด้วยความมั่นเพียรเอาสติใส่ลงไปในงานจิตจดจิตใจจดจด่จ อ, ดจออยู่กับงาน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 ไม่ใช่แค่เพื่อให้งานสาเร็จเท่านั้นแต่ว่าเพื่อให้เห็นสิ่งที่ลึกลงไปบางทีก็คร่ครวรว่าเออใจของเราเป็นอย่างไรทำงานไปก็เห็นใจของตัวเองไปด้วยทำไปทาไปจิตใจก็สว่างเพราะว่าเขามีวิมังสาคือการดูจิตดูใจของตัวเหเราพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยให้ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดนี่มันก็พูดยาก เดี๋ยวนี้คำว่าดีที่สุดมันกลายเป็นคำแก้ตัวว่าฉันทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันที่สุดจริงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้พิจารณากันเท่าไหร่คำว่าประโยช์ที่ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีความหมายเล้วกลายเป็นข้ออ้างว่าฉันทำดีที่สุดแล้วหรือกลายเป็นคาที่ใช้เพื่อที่จะไม่ผูกพันกับอะไรเลยก็บอกว่าฉันจะพยายามทาให้ดีที่สุด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 หมอหคนหนึ่งมาก็ทำอย่างเดียวกันพอยื่นมือเข้าไปยื่นช้อนเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆกล้ปากเด็กก็เอามือปัดพนก็หลุดยาก็กระจายเปื่อนพื้นหมอคนที่สองก็ยังทำต่อยังไม่ลดละความพยายามจีนี้ก็บอกเด็กว่ามันไม่ขมหรอกยานเนี่ย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 อนน้หมอคนที่หนึ่งคนที่2แตกต่างกันยังไงคนที่หนึ่งทำไปได้สองครั้งก็เลิกแต่คนที่สองนี่ทําพยายามทําทุกวิธีจนกระทั่งเด็กนี่ยอมแพ้หมอคนแรกนี่โมโหในใจเขคิดว่าเนี่ยทากับฉันอย่างนี้ทําไมทําไมถึงทากับฉันอย่างนี้ฉันอุสตส่าห์ตั้งใจดีแล้วทําไมถึงมาทํากับฉันอย่างนี้หมอคนนี้คิดในใจ